ปฏิบัติที่จิตฉะนั้นเรื่องสมถะหรือเรื่องวิปัสสนานี้ให้ทําให้เกิดในจิตเสียให้เกิดในจิตจริงๆ จ, งจึงจะรู้จักถ้าไปเรียนตามตํารา ว, ว่าเจตสิกเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นจิตเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นก็เรียนได้แต่ว่าใช้ระ ง, งับความโลภความโกรธความหลงของเราไม่ได้ เราเรียนไปตามอาการของความโลภความโกรธความหลงความโลภมีอาการอย่างนั้นอย่างนั้นความโกรธมีอาการอย่างนั้นอย่างนั้นความหลงมีอาการอย่างนั้นอย่างนั้นไปเล่าอาการของมันเท่านั้นก็รู้ไปตามอาการพูดไปตามอาการรู้อยู่ฉลาดอยู่แต่ว่าเมื่อมันเกิดกับใจเราจะเป็นไปตามอาการหรือไม่เมื่อถูกอารมณ์ที่ไม่ชอบใจมากระทบ มันก็เกิดเป็นอาการขึ้นกับใจเราเราติดมันไหมเราวางมันได้ไหมอาการที่ไม่ชอบใจนั้นเกิดขึ้นมาเรารู้แล้วผู้รู้เอาความไม่ชอบใจไว้ในใจหรือเปล่าหรือว่าเห็นละวางถ้าเห็นสิ่งที่ไม่ชอบใจแล้วยังเอาไว้ในใจของเราให้เรียนใหม่เพราะยังผิดอยู่ยังไม่ยิ่ง ถ้ามันยิ่งแล้วมันวางให้ดูอย่างนี้ดูจิตของเราจริงๆมันจึงจะเป็นปัจจตังถ้าจะพูดไปตามอาการของจิตอาการของเจตสิกว่ามีเท่านั้นดวงเท่านี้ดวงอตมาว่ายังน้อยเกินไปมันยังมีมากถ้าเราจะไปเรียนสิ่งเหล่านี้ให้รู้แจ้งแทงตลอดหมดนั้นไม่แจ้งมันจะหมดอย่างไร มันไม่หมดหรอกหมดไม่เป็นฉะนั้นเรื่องการปฏิบัตินี้จึงสำคัญมากการปฏิบัติอตมาไม่ได้ปฏิบัติอย่างนั้นไม่รู้ว่าจิตว่าเจตสิกอะไรหรอกดูผู้รู้นี่ลหละถ้ามันคิดชังท่านมหาทำไมจึงชังถ้ามันรักท่านมหาทำไมจึงรักอย่างนี้แหละจะเป็นจิตหรือเจตสิกก็ไม่รู้ ที่เข้าตรงนี้จึงแก้เรื่องที่มันรักหรือช่างนั่นให้หายออกจากใจได้จะเป็นอะไรก็ตามถ้าทำจิตอัตมาให้หยุดรักหรือหยุดช่างได้จิตอัตมาก็พ้นจากทุกแล้วจะเป็นอะไรก็ช่างมันสบายแล้วไม่มีอะไรมันก็หยุดเอาอย่างนี้จะพูดไปมากๆก็ช่างเขามากก็ตาม มากก็จะมาอยู่ตรงนี้และมันไม่มากไปไหนมันมากออกจากตรงนี้น้อยก็น้อยออกจากตรงนี้เกิดก็เกิดออกจากนี่ดับก็ดับอยู่นี่มันจะไปไหนท่านจึงให้นามว่าผู้รู้อาการที่ผู้รู้รู้ตามความเป็นจริงถ้ารู้ตามความเป็นจริงแล้วมันก็รู้จิตหรือรู้เจตสิกนี่แหละ จิตหรือเจตสิกนี้มันหลอกลวงไม่หยุดสักทีเราก็ไปเรียนอาการที่มันหลอกลวงนั่นเองทั้งเรียนเรื่องมันหลอกลวงทั้งถูกมันหลอกลวงเราอยู่นั่นเองจะว่าอย่างไรกันทั้งทงที่รู้จักมันมันก็ลวงทั้งท้ง ท, งที่รู้มันเรื่องอย่างนี้คือเรื่องเราไปรู้จักเพียงชื่อของมันอัตมาว่าพระพุทธเจ้าไม่ประสงค์อย่างนั้น ทรงประสงค์ว่าทำอย่างไรจึงจะออกจากสิ่งเหล่านี้ได้ท่านให้ค้นหาเหตุของสิ่งเหล่านี้ขึ้นไปฉะนั้นอาตมามาปฏิบัติโดยไม่รู้จักมากรู้จักเพียงว่าศีลเป็นมักงามเบื้องต้นคือศีลงามท่ามกลางคือสมาธิงามเบื้องปลายคือปัญญาสามอย่างนี้ดูไปดูมาก็เป็นอย่างเดียวเท่านั้น แต่ถ้าจะแยกออกเป็น3ามอย่างก็ได้